จุดหมายดีงามนะที่เราปรารถนาถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มกำลังนะโดยเพราะด้านจิตใจเนี่ยไม่ให้ขาดหายไปศรัทนธะานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอินสียห้านะหรือพละห้านะภละนี่ก็หมายถึงกำลังนะกำลังใจของเรานะเป็นสิ่งสำคัญ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 ไปตั้งเมืองใหม่นะอยู่แถวาทางอเมริกากลางแนละพวกนี้เป็นคนอเมริกันนะตอนหลังก็อยากจะไปสร้างเมืองใหม่าศาสตราเขาเรียกชื่อจิมโจนเขากา็ผู้คนที่เป็นสารุสิกก็ข้างใครไหลหลงมากจนกระทั่งวันดีคืนดีนะาศาสดาเขาก็ชัวลูกสิทธ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 เป็นการหลงแบบไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีเพียงเพราะว่ามีศรัทธาแล้วก็เขาสั่งให้ทำอะไรก็ทำบางทีก็ถูกเขาหลอกใช้นะหลอกเอาเงินไปนะเพื่อสร้างความมั่งคั่ร่ำรวยให้กับผู้ที่ประกาศตัวเป็นศาสดาแบบนี้ก็เห็นอยู่บ่อยๆนะแม้กระทั่งในวงการสงฆ์ในวงการพุทธศาสนาอันนี้ว่าศรัทธาแบบงมงาย เป็นการไปผูกติดอยู่กับตัวบุคคลนะโดยที่ไม่ได้ตระหนักนะว่าอะไรถูกอะไรผิดนศรัทธาที่ดีต้องเป็นศรัทธาที่ประกอบไปได้วยปัญญานะเรียกว่าศรัทธายาณศสัพยุตไม่ใช่เป็นการเชื่อแต่พุตงเือนะแต่ว่ารู้จักใช้ปัญญาในสายพุทธกาลเนี่ยมี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 ว่าคนที่มีอนะินทรีย์ห้าหากทำให้มากนะก็จะบรรลุมรรคผลได้พระสารีบุตรตอบว่าไม่เชื่อแล้วก็ให้เหตุผลว่าผู้นั้นเนี่ยจะต้องนะบเพ็ญวิปัสสนาะจริงใจบรรลุมรรคผลตราบใดที่ยังไม่บาเพ็ญวิปัสสนาหรือทำพรปัญญาให้แจ้งเนี่ยนะก็จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้พระรูปอื่นเนี่ยก็ ได้ยินเชนนั้นก็ต่อว่านะพระสารฤบุตรนะว่าว่าอ่าเป็นผู้ที่นะอ่าขัดขืนนะปฏิเสธนะไม่ฟังคําสอนพระเจ้ากล้าที่จะอ่าปฏิเสธกล้าที่จะไม่เชื่อพระเจ้าแต่พระเจ้าเนี่ยพอได้ทราบเชนนั้นก็เลยกล่าวว่านะที่พระสารฤบุตรพูดนี่ถูกแล้วนะสรรเสริญพระสารฤบุตรว่าพูดถูกแล้ว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 ตามธรรมเนียมเนี่ยนะพระทั้งหลายท่านก็มารอนะมายืนเพื่ออำลาเป็นแถวเลยยาวพระสาร บ, บุตรท่านก็เป็นคนที่มีมารยาทนะท่านก็จะทักทายทุกคนถามชื่อถามอาคดหรือถามวงตระกูลต่างๆเนี่ยก็ถามทุกคนเลยแต่มีคนหนึ่งที่ท่านาไม่ได้ไม่ได้ถาม ไม่ได้ทักเพราะคนเยอะมากภาพรูปนั้นเนี่ยพอเห็นพระไตรปิฎเดินผ่านนะโดยไม่ที่ไม่ทักไม่ทายเนี่ยก็โกรธเลยนะโกรธเลยว่าทําไมพระไตรปิฎกเนี่ยมองข้ามเราแล้วก็เลยหาเรื่องนะใส่ร้ายพระไตรปิฎกเพืนช่วงนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยชายจีวารพระไตรปิฎเนี่ยไปโดนไปถูกตัวภารูปนี้ภาพรูปนี้ก็เลยถือเหตุนะ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 นะเข า, เ, าเขาจะมีมีเครื่องรางของขลังนะที่สนองความโลภของเราหรือเขาให้คำมั่นสัญญาว่านะถ้าเคารพเขานับถือเขาเนี่ยจะร่ํารวยนะจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็จะหลงเชื่อหัวปักหัวปาจะสั่งให้ทําอะไรก็ทําเพราะว่าเชื่อว่าถ้าทแล้วเนี่ยนะจะได้รับประโยชน์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 การนับถือของชาวพุทธเนี่ยจานวนมากเลยนะทให้พระรัตนตรัยต่ำลงนะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่นะผู้พิเศษที่จะมาสนองกิเลสของเราเจอพระพุทธรูปเนี่ยแทนที่จะทําให้จิตใจมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัตินะกลับนึกแต่ว่าพระพุทธรูปนี้จะบอกหวยนะหรือว่าจะให้เลขอะไรกับเราบ้างอันนี้ก็กลายเป็นว่า